ก็ขอน้อมน้อมต่อคุณพระนาไตรเขา อ, อกาศหลวงพระกลมเพื่อนสาธรรมิกน ะ, จะเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านวันนี้ก็ค่อยเงียบเงาๆหน่อยนะหลายคนเยอะเป็นร้อยมาหลายๆวันนะก็ เหมือนกับศาลานี้ก็ได้ฉลองนะเพราะสร้างขึ้นมาแล้วก็รับคนเยอะๆได้ถ้าไม่ได้สร้างศาลาขยายออกไปนะก็คงจะรับคนจำนวนเกือบเกือบสองร้อยไม่ได้ในช่วงทีผ่ผ่านมานะอันนี้ก็แสดงว่าเออเหมือนกับว่าบางอย่างมันก็มาลงตัวอยู่เหมือนกันนะ คราวนี้เราพวกเราเนี่ก็มาเข้าใจในจุดนี้อย่างหนึ่งว่า เ, ออเราปฏิบัติไปเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรนะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ดีนะเราก็มาสังเกตตรงนี้อยู่อย่างหนึ่งว่าจุดหมายจริงๆแล้วของการปฏิบัตนะิไม่ว่าเราจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะจุดหมายก็คือให้เรากิเลสเนี่ยลดลงเท่านั้นเองนะ มันมีจุดหมายอยู่แค่นี้เท่านั้นเองว่าเออกิเลสเราในรถลงไปไหมนะถึงบางทีเราจะรู้สึกตัวได้ดีหรือมีสติได้ดีหรือมีสมาธิได้ดีมีปัญญาได้ดีนะก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นหนทางที่มันจะลักกิเลสเสมอไปนะเพราะว่าก็เคยไปอยู่วัดบางวัดที่มีการนั่งสมาธิเยอะๆเนี่ยนั่งสมาธิกันเยอะมากวันหนึ่งก็นั่งกันหลายๆชั่วโมงนะกลางคืนก็ เคยอยู่วัดประเภทกังคือ น, นี้นั่งสามชั่วโมงติดกันนะตั้งแต่6โมงเย็นถึงสามทุ่มนะโดยที่ส่วนใหญ่ก็ไม่ขยับไม่ได้นิดเดียวนะไม่ขยับขาไม่ขยับร่างกายไม่ได้นิดเดียวนะแล้ท่านในปัญษาก็นั่ง6ชั่วโมงนะตั้งแต่หโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะอย่างนี้เป็นแบบจำแล้วก็วันก็เดินจงกรมกันอีก็ยังมีปัญหาเยอะนะพระก็มีปัญหากันเยอะแยะนะ อันนี้ก็แสดงอย่างนึงว่าออปฏิบัติธรรมเยอะๆหรือว่านั่งสมาธิเยอะๆหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นการละ ก, กิเลสเสมอไปนะเพราะฉะนั้นจริงๆก็ปฏิบัติธรรมได้ผลหรือไม่ได้ผลนะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวมีสติหรือไม่หรือไม่มีสตินี้จริงๆแล้วมันก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะดูที่ว่าเ อ, อมีความตั้งใจที่จะละ ก, กิเลสไหม ต, ตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญกว่านะเพราะฉะนั้น ถ้าเราตั้งจุดตรงนี้ได้ตรงแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะบางที่เราปฏิบัติมาต้องนานแล้วเออมันก็ไม่รู้ตัวลักรทีนึ่งหรือว่าเออได้ยินคนนึงก็พูดว่าอ่าปฏิบัติแล้วเป็นแบบนี้นะเห็นรูปเห็นนามนะรู้สึกตัวได้ตลอดนะยืนเดินนั่งนอนนี้รู้ได้หมดเลยนะอนนี้ถ้าเราเกิดปฏิบัติแบบนั้นแล้วไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะมีความน้อยใจนะมีความกังวลใจ มีความไม่สบายใจว่าทำไมเราปฏิบัติแบบเขาไม่ได้ทำไมเขาได้ดีกว่าเราอะไรแบบนี้นะจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นนะหรืออย่างบางคนที่เคยฝึกสมาธิเหมือนกันนะพอเพื่อนฝึกได้โอ้เห็นนิมิตอย่างโน้อย่างนี้นะก็สงสัยว่าตัวเองทาไมไม่ ไ, มไดนะ้ก็ไปขวนขวายที่จะเห็นนิมิตเหล่านั้นนะบางแห่งมาว่าถ้าไม่เห็นนิมิตแล้วมันก็ไม่ได้ผลนะก็เลยไปมุ่งหานิมิตกันนะ อันพวกนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่หนทางนะงนะก็ชี้เห็นว่าเออเห็นนิมิตแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะละกิเลสได้นะหรือว่าไม่เห็นนิมิตมันก็จะไม่ละกิเลสไม่ได้นะมันก็ไม่จําเป็นนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในการปฏิบัติแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นแค่รูปแบบเท่านั้นเองนะไม่ว่าจะนั่งสมาธินะหรือว่าเจริญสตินี่จริงๆแล้วเป็นแค่รูปแบบเท่านั้นเองนะคราวนี้ถ้าเราเข้าใจตรงเนี้มันก็จะง่ายขึ้น ถึงแม้จริงๆแล้วเราไม่มีไม่มีสมาธินะไม่มีสติไม่มีความรู้ตัวเลยเนี่ยมันก็สามารถที่จะละ ก, กิเลสได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจจุดหมายจริ ง, รงๆแล้วเนี่ยมันก็จะ ง, ง่ายในการปฏิบัติอันนี้มันก็จะไปตรงตรงกับสมัยพุทธกาลนะว่าสมัยพุทธกาลนี้ทําไมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วเนี่ยมีผู้ที่บรรลุธรรมเป็นจํานวนมากนะไม่ว่า จะบรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคามีหรือเป็นพระรหันต์นะแล้วก็บางคนก็ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนเลยนะแล้วก็ในขณะที่แสดงธรรมก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมในขณะนั้นนะแต่ทํำไมแสดงธรรมจบแล้วเนี่ยจึงมีผู้บรรลุธรรมนะเป็นพระริบุคลเป็นจำนวนมากนะอันนี้ก็แสดงว่าการที่ เ, เข้าใจธรรมนะเข้าใจธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนะ เมื่อมีความเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็เป็นการล ะ, ะกิเลสในตัวอยู่แล้วนะเพราะว่าในขณะที่ฟังนะถ้าจิตคลายความยึดติดคลายความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางกิเลสทั้งหลายออกจากใจนะรู้เท่าทันกินเลสที่เกิดขึ้นนะมีการผ่อนอผ่อนคลายจากความยึดติดต่างๆไปในขณะที่ฟังในขณะนั้นนะ ผู้ที่คลายได้น้อยนะก็เป็นบรรลุพระโสดาบันนะผู้ที่คลายได้มากก็เป็นพระอรหันต์นะเพราะมันจริงๆมันก็อยู่ที่การผ่อนคลายนะการไม่ยึดติดนะการละการบางในกิเลสในขณะนั้นนั่นเองนะมันจึงเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์นะอันนั้นสมัยนั้นก็จึงบรรลุทำกันเยอะแยะเนะืเพราะมันก็เข้าสู่จนะุดตรงๆในการที่ละคลายความยึดติดนะละคลายกิเลสออกจากใจของเรานะ มันก็เลยสำเร็จกันเยอะเป็นแถวนะแต่มาในยุคเราเนะี่ยก็มีการปฏิบัติเยอะแยะนะในประเทศไทยนี่ยจมีเป็นสิอย่างวิธีนะรูปแบบเยอะมากนะเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสตินะอะไรกันทั้งวันทั้งคืนนะแต่ทำไมมีผู้บรรลุธรรมหรือว่าเป็นพระหันกันน้อยลงกว่าในสมัยนั้นนะเพราะจริงๆแล้วก็มันเป็นการยึดติดในรูปแบบเท่านั้นเองนะยึดติดในรูปแบบนะบางทีกลายเป็นว่า เพิ่มสักกัยาทิฐิในตัวเราอีกอนะคือพอเราปฏิบัติได้ผลดีน ะ, ะได้ได้ผลดีเก่งกว่าคนอื่นนะก็เลยนึกว่าเราเก่งเราดีอยู่คนอื่นแล้วเราเก่งกว่าคนอื่นแล้วนะคนอื่นสู้เราไม่ได้นะอันนี้ถ้านที้มันจะละสักกัยาทิฐินะคือความยึดมัน่นถือมันในตัวตนให้ลดลงนะก็กลายเป็นว่าเพิ่มความยึดมั่นถือมันในตัวตนให้สูงขึ้นอีกนะอัตราตัวตนก็สูงขึ้นอีกนะเพราะคิดว่าเราเก่งกว่าคนอื่นเขาคิดว่าเราดีกว่าเขานะ คิดว่าคนอื่นสู้เราไม่ได้นะมันก็เป็นการเพิ่มอัตตาทั้งหมดนะแล้วเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันกนะ็แทนที่จะว่าจะละกิเลสออกจากใจนะก็กลายเป็นติดในรูปแบบการปฏิบัติไปทัท้งนั้นเออนั่งสมาธิได้กี่ชั่วโมงนะบางทีก็ถามกันแบบนั้นเห็นนิมิตอะไรบ้างนะเดินละตัวเบาไหมนะอะไรวบนนี้มันก็กลายเป็ น, ปนการยึดติดในรูปแบบทั้งนั้นนะนะเออแทนที่จะถามเออตอนนี้นะอ่านะ รู้ทันกิเลสไหมนะรู้ทันไม่ว่ากำลังมีอารมณ์อะไรนะรู้ทันไ้ยขณะนี้กำลังมีความโลภความโกรธความหลงนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นหนทางแห่งการละคายมากกว่าที่จะไปถามในการเอาคนระาวนี้คนเราส่วนมากก็จะเอากันนะเอาทุกอย่างนะเอาอถ้าอยู่ในทางโลกก็จะเอาเงินเอาทองนะเอาลาภยศสรนเสริญนะทุกอย่างเอาหมดนะ พรปะิบัติธรรมก็จะเอาศีลสมาธิปัญญาอะไรก็จะเอาทั้งหมดนะมันก็เป็นการเอาทั้งหมดนะมันไม่ไเป็นการละแต่เป็นการเอานะคราวนี้การเอาก็ไม่รู้ว่าจะละกิเลสได้หรือเปล่านะคราวนี้ถ้าเราเอาตั้งเป้าหมายว่าจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งภายในเ็ปีนะภายใน7ปีนี้เราจะเอาแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายภายใน7ปีนี้เราจะละจะวางจะคลายจะทิ้งนะภายใน7ปีเท่ากันนะ ระหว่างเจปีที่เราจะเอากับ7ปีที่เราจะทิ้งเนี่ยอันไหนมันจะความทุกน้อยกว่ากันนะอันไหนมันจะละกิเลสได้ง่ายกว่ากันอันไหนมันจะตรงกับพันิพาณได้มากกว่ากันนะก็คือจริงๆแล้วมันก็คือการที่เราละเราวางเราคลายนะจากความยึดติดต่างๆนะจากความยึดมั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นในอารมณ์ของเราในจิตในกายในขันห้าเนี่ย เพราะนั้นการที่เราละเราคลายเราวางเราทิ้งเนี่ยมันจะเป็นหนทางที่ตรงกับหนทางแห่งพันิพภานมากกว่าที่จะเอาสิกนะก็คือนะถ้าตั้งตั้งเป้าหมายได้ตรงแล้วเออเราจะละจะกิเลสนะเราจะคลายจะกิเลส ท, ทั้งปวงเราจะทิง้งเราจะวางเราจะไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นในทุกสิ่งนะมันก็จะตรงกับหนทางแห่งพันิพภานเนี่ยได้ง่ายกว่าแล้วก็จริงๆิแล้วก็ปฏิบัติได้ง่ายกว่าด้วย แทนที่เราจะตรงไปยึดมันอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเอาในสิ่งนั้นให้ได้นะแทนที่จะวางจะทิ้งก็กลายเป็นมุ่งที่จะเอาเนี่ยมันก็จะเป็นหนทางที่มันจะยากกว่ากันเยอะนะการจะเอามันยากกว่าการวางใช่เนะพราะนั้นอันนี้ก็เป็นหนทางว่าออถ้าเราวางจะได้ถูกแล้วเนี่ยมันจะตรงตรงสู่หนทางที่จะพ้นทุกข์ได้เร็วขึ้นเนะพราะในจึงเป็นสิ่งที่มันนะ ไม่มีปัญหาว่าเออทำไมในยุคพุทธกาลเนี่ยคนจึงบรรลุธรรมกันเร็วนะเพราะสมัยนั้นก็ไม่มีรูปแบบการปฏิบัติอะไรเยอะแยะนะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าคนก็บรรลุได้เร็วแต่ในยุคปฏิบัตินี้เออวิธีการปฏิบัตินี้ก็เยอะแยะนะมากมายแตกแขนงไว้เยอะแยะเลยนะคนกับบรรลุธรรมได้ช้าก็เพราะเหตุนี้นั่นเองนะเพราะาปฏิบัติธรรมเพื่อการเอานะไม่ได้เพื่อการละการคลายนะอันนี้ เนเราก็สังเกตรตรงนี้นิดนึงนะว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรกันแน่นะเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็เบาขึ้นนะก็คือเราก็สังเกตจิตใจของเราอนะ่าไปในแต่ละวันแต่ละครั้งให้ไวๆนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายถูกต้องในการดำเนินชีวิตไปในแต่ละวันว่าเออเราก็ต้องให้มันรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายนะ อารมณ์ทั้งหลายนี่จริงๆก็คือกิเลสนั่นเองนะเช่นความโลภความโกรธความหลงนี่คือคืออารมณ์นะแล้วก็ความรักความชังความพอใจความไม่พอใจความอิจฉาความน้อยใจความหึงหวงความกุ้มใจความเหงาอะไรทั้งหลายแหลพวกนี้คืออารมแต่จริงๆมันคือกิเลสทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นกิเลสมันแสดงมาในรูปแบบของอารมณ์ต่างๆนะ ครั้นถเรารู้ไม่เท่าทาันอารมณ์ต่างๆแล้วนั่นแหละมันก็คือกิเลสนะเราก็รู้ไม่เท่าทันกิเลสนั่นเองนะนีมันก็วิธีการที่เราจะละ ก, กิเลสง่ายๆก็คือเรารู้เท่าทันอารมณ์ไปก่อนนะรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากหยาบๆในเช่นความโกรธความไม่พอใจนี่ก็รู้ไปเรื่อยๆก่อนนะในสุดก็จะไปรู้อารมณ์ต่างๆที่ละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะเช่นความยินดีเล็กๆน้อยๆทั้งหลายแหล่เนี่ย ความพอใจเล็กน้อยเราก็รู้ทันได้เร็วนะมันก็จะได้ละคายจากความยินดีและยินรายได้เร็วขึ้นเนะี่ยมันก็จะได้ตรงกับผลทางได้เร็วนะอืมมันก็เป็นผลทางที่ว่าเราสามารถที่จะฝึกได้ไม่ยากนะในแต่ละวันนะครั้งนี้ว่าเราจะทำอย่างไรก็แล้วแต่แต่ละคนที่มีผลทางที่จะทำด้วยตัวเองนะเพราะพวกเราก็เป็นนักปฏิบัติเก่าๆกันเป็นส่วนมากนะเออทำอย่างไรที่เราจะรู้เท่าทัน อารมณ์เหล่านั้นได้เร็วแล้วก็ปล่อยวางได้เร็วนะสำคัญต้องปล่อยวางแล้วก็เมื่อปล่อยวางแล้วก็ไม่ไปยึดติดในอารมณ์เหล่านั้นอีกก็คือออกจากมันมาได้เลยนะไม่ไปยํำคิดในสิ่งเหล่านั้นนะเพราะนั้นอารมณ์ต่างๆนี่จริงๆแล้วมันเกิดจากการเราไปยํำคิดนะเช่นมีใครก็มาว่าเรามานินทาอะไรเราเนี่ยเราก็จะไปยํำคิดในสิ่งเหล่านั้นนะอันนี้ก็เรียกว่าไปยึดติดนะยติดคือการไปยําคิด ย้ำย้ำคิดเป็นส่วนใหญ่นะจะย้ำคิดนะในคำพูดเหล่านั้นนะหรือในการกระทำต่างๆเหล่านั้นที่เราเห็นนะแล้วก็มาย้ำคิดกันนะเมื่อย้ำคิดแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความยึด ต, ติดนะในอารมณ์เหล่านั้นมันก็ออกจากอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้นะเมื่อออกจากอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้ก็เลยมีมีความทุกข์นะมีความทุกข์นะครับ เราะนั้นจุดนี้จึงเป็นเหตุให้คนบางคนไปฆ่าตัวตายกับตรงนี้กันเยอะเลยเพราะว่าออกจากอารมณ์ต่างๆไม่ได้นะซึ่งบางที่เราฟังแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตนะไม่เป็นเรื่องข้อขาดบาดตายที่ถึงถึงก็ต้องไปฆ่าตัวตายนะแต่คนที่ประสบเหล่านั้นเนี่ยเขากลับออกจากอารมณ์เ่านั้นไม่ได้นั่นเองนะเพราะว่าเขาไปย้ำคิดนั่นเองนะมันก็วนนะพอมันวนไปวนมามันก็รู้สึกว่าโอ้มันมีความทุกข์มาก ล้วเกินนะก็เลยไปฆ่าตัวตายกันก็เป็นจํานวนมากนะเพราะนั้นก่อนที่จะถึงในจุดนั้นเราก็ต้องรู้ทันทันว่าเราต้องไม่ยําคิดในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะพอไม่ยําคิดมันก็หลุดไปเองมันก็ปล่อยไปเองนะแค่เรารู้มันก็จริงๆมันก็จบแล้วนะรู้แล้วก็มันก็หลุดไปเองอยู่แล้วนะนะถ้าเราไม่ไปย้ำคิดมันก็ไม่มีอะไรนะมันก็น้ำที่มันก็ไหลผ่านไปเรื่อยๆ น้ำมันก็ไหลผ่านไปอยู่แล้วมันก็จะไม่ไม่มาไหลกลับนะแต่พอเราไปไปกักน้ําเอาไว้น้ํามันก็นิ่งนะน้ำก็ไปไม่ได้นะมันก็เลยวนกลับมานะเกิดจากเราไปกักมันเองนะเราไปทําให้น้ํามันหยุดมันไม่ไหลต่อมันยังวนกลับมามาท่วมเราทีหลังนะเพราะว่าเราไม่ปล่อยมันไหลไปตามธรรมชาติราะจริงจริงมันก็ปล่อยคลายพวกนี้อยู่แล้วแล้วมันไม่ไปยึดติดพวกนี้หรอกนะ เพียงแต่เราไม่ไปย้มคิดมันเท่านั้นเองมันก็จะไม่กลับมายึดไม่กลับมาติดในพวงนี้นะก็ปล่อยคายไปทุกลุกครั้งที่มีอารมต่างๆเกิดขึ้นนะถ้าเราตั้งมโนโปณิธานในจุดนี้มันก็จะง่ายขึ้นนะกับการที่จะเข้าไปในรมต่างๆมันก็แค่ไหลผ่านไปผ่านมายกตัว อ, อย่างเช่นนะมีใครเข้ามานินทาเรามาด่าว่าเรา มันจริงๆมันก็เป็นแค่สักแต่ว่าเสียงเท่านั้นเองนะก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นคลื่นอย่างหนึง่งมากระทบที่หูนะแล้วหูมันก็ทํางานของมันนะมีกล่องเสียงมากระทบที่หูมันก็เป็นคลื่นเข้ามาให้เรารับรู้ว่าเขาพูดว่าอะไรนะพูดพอรับรู้มันก็ส่งเข้าไปในจิตนะให้เกิดความยินดีร้ายขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการทํางานของมันนะแต่จริงๆมันก็แค่ผ่านไปผ่านมานะถ้าพูดในคนหูหนวก ฟังเขาก็ไม่รู้เรื่องนะคนหูหตึงก็ฟังไม่รู้เรื่องหรือแม้แต่คนหูดีๆแต่ถ้าเขาไม่รู้ภาษานั้นเขาก็ไม่รู้เรื่องนะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นนะสมัยก่อนกอ็เคยมีลูกน้องคนหนึ่งนะเขาก็เคยโดนด่าเป็นภาษาจีนนะเขาก็ฟังไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะเขาก็ฟังแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรก็เฉยๆนะแต่ตอหลังก็สงสัยทําไมทําไมว่าเขานี้อยู่บ่อยๆพูดคํานี้อยู่บ่อยๆเ อ, อ้วหน้าตาก็ทำเหมือนถึงก็ามาถามว่า เออคนนี้เขาพูดอะไรว่าอะไรเขาเนี่ยคคนก็เลยบอกว่าเออเนี่ยเขาเขาก็ว่าเขาก็ด่าเจ้านั่นเองก็เลยโกรธเกิดความโกรธขึ้นมานะทั้งท้งเหตุการณ์มก็ผ่านมาตั้งนานแล้วพอเขารู้ปุ๊บมาโดนด่าเขาก็เลยโกรธขึ้นมานะมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วด้วยนะอันนี้ก็จริงๆแล้วมันถ้ามันไม่ได้ไปยึดมั่นอะไรมันก็ไม่มีอะไรก็ผ่านผ่านไปเท่านั้นเองนะผ่านไปผ่านมาเรื่อยๆนะ ครั้นพอเราไปยึดว่าวเขาดา่าเราปั๊บเนี่ยมันก็เลยมีความโกรธนะแต่จริงๆมันผ่านอยู่แล้วมันผ่านผ่านไปเลยม ไ, มไม่ม่ไม่มีอะไรนะมันก็จะมาตรงกับศักแต่ว่านั่นเองนะสักแต่ว่ามันก็จบแค่นั้นเองเอไม่ต้องมีว่าคำว่าศักแต่ว่าก็คือไปยึดมันมาเขามาด่าเรา <c oughs> เขามาว่าเราเขามาดินทาเราเอันนั้นมันก็ไม่ได้ศักแต่ว่าแต่ศักแต่ว่ามันก็คือศักแต่ว่าเสียงเท่านั้นมันก็จบไปในแค่นั้นนะก็ไม่ไปประดุงแต่งต่อนะ อันนี้มันก็จะง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็เราก็เมื่อเราเข้าใจในจุดนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะก็ผ่านไปเราแค่ไม่ไปย้ำคิดเท่านั้นเองนะมันก็สักแต่ว่าอย่างที่ว่านะมันก็เป็นสิ่งที่ว่าเออถ้าเราเข้าใจในตรงนี้แล้วมันก็ง่ายนะทุกอย่างมันก็ง่ายไปหมดนะมันก็จะเป็นสิ่งที่ว่าเราต้องลองกระทบดูนะบางครั้งก็มีคนเคยมาถามว่าเออ บ้านของตัวเองนี่ก็มีปัญหาเยอะ น, ะอนีอย่างนู้นอย่างนี้หลายๆอย่างมีการทะเลาะเบาแวงมีอะไรกันนะก็เลยแนะนําว่าจริงๆแล้วนัก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเราได้ประสบะเหตุการณ์จริงๆนะถ้าเราไม่ประสบเหตุการณ์จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเราะจะผ่านหรือไม่ผ่านนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ควรจะถือว่าเขาเนี่ยมีบุญคุณกับเราเสอีกนะที่ทําให้เรารู้ว่าเรามีอารมณ์อย่างไรนะมันต้องเจอจริงๆนะมันก็ในสมัยพุทธกาลนะก็มี มีพระอยู่กลุ่มหนึ่งนะก็คิดว่าตัวเองในบนรรลุเป็นพระหรหัสแล้วเนี่ยแล้วก็จะเข้ามาเฝ้าพระเจ้าเจ้ารู้ว่าไม่ใช่เป็นพระหรหัน์ยังไม่ได้เป็นนะก็เลยให้ไปอยู่ที่ป่าช้าก่อนนะพอตกตอนเย็นนะก็มีชาวบ้านนําศพผู้หญิงซึ่งเพิ่งตายใหม่ๆเนี่ยมาไว้ที่ป่าช้านะศพยังสดๆอยู่นะแล้วก็พระกลุ่มนี้ก็เลยเข้าไปมุงดูกันนะก็เห็นอ่า เห็นผู้หญิงที่อ า, อาจจะไม่ได้นุ่งผ้าอย่างเรียบร้อยนะก็เลยเกิดราคะขึ้นมานะก็เลยรู้ว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะก็เลยเร่งทาความเพียรจนเป็นบรรลุพระอรหันต์นะแล้วก็เลยเข้าเฝ้าพระเจ้านะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเออถ้าเราไม่ได้กระทบสิ่งเหล่านะั้นมันก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรนะเพราะนั้นการกระทบอารมณ์ต่างๆก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะ การทบอารมณ์ในจริงๆแล้วมันเหมือนกับ เ, เป็นเป็นอาจารย์ของเรานะหรือเหมือนกั็เราคนที่จะเก่งเลขเนี่ยก็ต้องทําโจทย์บ่อยๆทาโจทย์เยอะๆแก้โจทย์เก่งๆนะพอแก้โจทย์ได้เนี่ยพอเจอโจทย์ประเภทเดียวกันอีกเราก็แก้ได้ง่ายขึ้นนะแก้ได้เร็วนะเพราะการที่เรากระทบอารมณ์บ่อยๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะก็หมากับเรามื่อกระทบอารมณ์พวกนี้เนี่ยเราผ่านไหมมีคนมานินทาเรามาด่าว่าเรามาใส่ร้ายเราเราเรา ผ่านมันไหมเนี่ยอันนี้ถ้าเราผ่านมันได้เนี่ยเราก็จะสบายนะต่อไปนี่เราก็เออไม่มีอะไรแล้วเนี่ยก็ผ่านมาได้นะนะนี่เราก็ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งไม่ดีนะเพราะนั้นยิ่งเรากระทบอะไรต่างๆบ่อยๆเนี่ยถือว่าเป็นครูนะเป็นขุมทรัพย์เนี่ยเมื่อที่หลวงพ่ชาติท่านก็บอกว่าสนามรบของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในป่าในเขาแต่อยู่ในเมืองนะ ก็คืออยู่ในเมืองก็หมายความว่าเร า, ามีการกระทบต่างๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดนะีถ้าเราผ่านได้เนี่ยเราก็เก่งเหนะมือนกับนักมวยเนี่ยจะต้องโชกับนักมวยจริงๆเราเวลาโดนเขาเตะเขาต่อยเนี่ยเราหลบทันไหมนะหรือว่าเราทนหมัดนะทนเท้าเขาได้ไหมอันนี้ถึงจะเก่งนะไม่ใช่เราก็ชกกระสอบทรายทั้งวันนะกระสอบทรายเขาทําเราแล้วไม่ได้เราก็นึกว่าเราเก่งนะจริงๆแล้วเราก็ต้อง เจอกันักโมยจริงอันนี้จะได้เป็นประโยชน์นะเพราะฉะนั้นบางทีเราบางทีเราทํางานอยู่บางอย่างเช่นอาจจะอยู่ในครัวในอยู่ในครัวเราได้กระทบอารมณ์ต่างๆในเยอะมากนะในครัวกนะระทบเยอะเลยน ะ, ะหรือหรือที่อีกทางหนึ่งก็คือที่สํานักงานถ้าใครอยู่ประจำสานักงานก็กระทบอารมณ์เยอะนะเพลเพจะเยอะในครัวนะก็กระทบอารมณ์บ่อยๆนะหรือการที่เราต้องติดต่ออะไร ก็แล้วแต่นะมันก็กระทบลมบ่อยนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะยิ่งกระทบอารมณ์บ่อยแล้วเรากลับมาเป็นปกติได้ไหมนะออกมาจากอารมณ์ได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ควรจะเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสทําในสิ่งแล้วเนี่ยก็ถือว่าโชคดีโชคดีกว่านะเรากระทบแล้วเราออกมาได้ในเราเก่งนะอันนี้ก็จึงนะให้พวกเราเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันไม่ดีนะ บางทีเราเราอาจจะมันก็ต้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าไปข้องเกี่ยวในสิ่งต่างเพราะวัดของเราเนี่ยมันจะมีอะไรที่มาข้องเกี่ยวอยู่เยอะนะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งต่างๆมาเยอะนะไม่เหมือนกับวัดบางบางวัดนี่ก็มีการเกี่ยวข้องน้อยนะมีคนเนี่ยเข้าไปน้อยมากนะหรืออะไรน้อยมากนั้นก็มีความสงบเพราะฉะนั้นวัดเราถ้าได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วเราเข้าใจในตรงนี้เราก็จะได้สามารถที่วางใจได้ถูกต้องนะครับ จะได้ไม่เกิดความงุหงิดไม่เกิดความลำคานไม่เกิดความไม่พอใจในการที่กระทบสิ่งต่างๆหรือโอ้คนเยอะจังเลยนะหรืองานยุ่งจังเลยหรือวุ่นวายจังเลยนะอะไรเหล่านี้มันก็กลายเป็นเรื่องอเป็นขุมทรัพย์ไปนะการเป็นขุมทรัพย์ไปซึ่งเราก็นําขุมทรัพย์นี้มาเป็นประโยชน์ของเราเราจะได้ไม่มีความเข้าไปหมองโมในสิ่งเหล่านั้นนะเหมือนกับ มันเหมือนกับวัดที่วัดบุรพาลามนะวัดบุรพาลามจากกังหวัดสุรินทร์นะจะมีงานช้างอยู่เป็นประจำทุกปีนะงานช้างนี่ก็ใกล้ๆกับวัดบุรพาลามนี่มีเสียงดังมากนะก็มีมีพระในวัดก็มาบอกหลวงปู่ดูลอตุโลนะบอกว่าโวัดของเราเนี่ยมันวุ่นวายมากเลยนะเนี่ยมีงานช้างเนี่ยเสียงก็ดังมากเสียงดังมากอย่างเลยนะทำไมเขถึงต้องใช้เสียงดังขนาดนั้นนะ หลวงปู่ดูนก็บอกว่าเสียงก็ทำหน้าที่ของเขาได้ถูกต้องแล้วนะอ น, นี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยนะว่าเสียงก็ทำหน้าที่ของเขาได้ถูกต้องแล้วใช่เพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับเสียงเหล่านั้นแค่นั้นเองมันก็จบนะหรือเหมือนกับครั้งหนึ่งก็หลวงปู่บุตรดาถาวโรนะก็มีลูกศิษย์ก็นิมนต์ไปที่บ้านไปทาบุญที่บ้านนะบ้านก็เป็นห้องแถวนี่แหละ พอทำบุญเสร็จแล้วท่านก็นั่งพักผ่อนอยู่ในบ้านนะคราวนี้บ้านที่ติดกันนะก็เป็นบันไดไม้นะแล้วก็ <c oughs> มีผู้หญิงคนหนึ่งที่จะเป็นเจ้าของบ้านอีกบ้านหนึ่งก็ใส่เกี้ยเดินเดินขึ้นเดินลงที่ตรงบันไดไม้ก็เสียงดังมากเกี้ยกระทบนะบันไดก็ดังปั้งปั้ ง, งนะเสียงดังมากนะลูกศิษย์ก็เลยพูดบ่นขึ้นมาว่าเออ ไม่รู้ทําไมเสียงดังขนาดนั้นไม่รู้เหลือลุงปู่กำลังพักผ่อนอยู่เนี่ยเสียงดังมากยังเลยลุงปู่ก็เลยบอกว่าเออเขาก็เดินของเขาดีๆอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอาหูไปรับเกี้ยของเขาเองมันก็เลยเนี่ยลุงปู่ไม่ได้ไปรับเกี้ยนะท่านก็สบายนะแต่ลูกติดไปรับเกี้ยก็เกิดความาวุ่นวายใจนะ เ, เกิดความไม่พอใจขัดเคืองใจต่างๆนะ ก็จริงๆเสี่ยมันก็ทําหน้าที่ของเขาอย่างถูกต้องแล้วนะเพียงแต่เราก็สักแต่ว่ามันก็จบเท่านั้นเองนะหรือรูปรูปต่างๆมันก็ทําหน้าที่ของเขาอย่างถูกต้องแล้วเนีเราก็สักแต่ว่ามันก็จบนะลิ้นกระทบรสต่างๆมันก็ทําหน้าที่ของเขาอย่างถูกต้องแล้วนะถ้าเราสักแต่ว่ารถมันก็จบนะเจอหมูกได้กลิ่นนะหอมเหม็นมันก็ทําหน้าที่ของเขาอย่างถูกต้องแล้วนะเพียงแต่เราเราสักแต่ว่ากลิ่นมันก็จบ กายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งนะมันก็สักแต่ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งเท่านั้นเองนะถ้าเราสักแต่ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือว่าแค่กระทบรู้มันก็จบใจนึกคิดมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะมันก็สักแต่ว่าคิดสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ามันก็อารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จบดับไปมันก็สักแต่ว่าแค่นั้นเองว่าจบนะเพราะนั้นโดยการสักแต่ว่านี่แหละ พราะพระพระายาเนี่ยได้ทรงได้ฟังธรรมจากพระเจ้าแสดงเรื่องสักแต่ว่าก็เลยสำเร็จเป็นพระหรหั์เลยอย่างรวดเร็วนะนะมันก็จบแค่นั้นนะคราวนี้ก็จะเล่าเรื่องพระพาอิยาหนิดึงเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่เคยฟังในตรงนี้ก็เลยสงสัยนะก็คือพระพาอยเนี่ยสมัยก่อนก่อนที่จ ะ, ะมาะมาฟังธรรมเนี่ยเป็นพ่อคา้าทางทะเลทางสมเพอ ก็มีอยู่ครั้งนึงก็เรือเรือล่มนะก็ขึ้นฝั่งมาก็เสื้อผ้าก็หลุดรูยไปหมดนะก็ขึ้นฝั่งแล้วก็เลยหาใบไม้มาโน่งนะแล้วก็เดินไปในหมู่บ้านเนี่ยอาชาบ้านก็นึกว่าเป็นพระหันแล้วก็บอกเป็นพระหันแต่ท่านรู้ว่าตัวเองไม่ใช่หรอกอ่านี้ตอนหลังก็ได้ฟังว่าพระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาในโลกแล้วเนี่ยท่านก็เดินทางทั้งวันทั้งคืนเลยก็ไปฟางพระเจ้าตอนนั้นพระเจ้าก็บินธบาตอยู่ก็ไปขอฟังธรรมพระเจ้าบอกว่า สถานที่นี้ไม่ใช่ที่ที่เราจะแสดงธรรมนะเดี๋ยวกลับไปถึงวัดก่อน <Park. S 2> ก็จะแสดงให้ฟังนะขอจนถึงขั้นที่สามพระเจ้าก็เลยทรงแสดงธรรมสั้นๆใน้ฟังว่าเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินรู้ก็สักแต่ว่ารู้ทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อนั้นท่านจัดไม่มีในโลกทั้งสองนะค่นี้ท่านก็สําเร็จเป็นพระหันเลยนะก็คือมันก็สักแต่ว่าเท่านั้นเองนะสักแต่ว่าเห็นสักแล้วได้ยิน สักแต่ว่าได้กินสักแต่ว่ารู้รสสักแต่ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งสักแต่ว่าคิดนึกหรืออารมณ์ต่างๆเท่า น, นั้นเองนะมันก็สักแต่ว่ามันก็จบแต่ถ้าไม่ไปสักแต่ว่ามันจะปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปในตาที่กระทบรูปปรุงแต่งไปในเสียงที่ได้ยิ น, ย, นยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นหรือรสชาติต่างๆอาหารเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อกระทบแล้วมันก็ปรุงแต่งกันได้ตลอด แต่พอมันสักได้วาปุ๊บมันก็ไม่ปรุงแต่งมันก็จบไปในแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็าถ้าเราทําใจสักได้ว่าได้มันก็จะตรงนะตรงกับการที่เราจะไม่ไปย้าคิดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะเมื่อมันไม่ย้าคิดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไปยึดติดนะไม่ไปยึดติดในรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะการที่ไม่ยึดติดนะี่เป็นหนทางที่เราจะออกจากความทุกข์ได้ง่ายขึ้นนะไะได้เร็วนะเพราะฉะนั้นก็จะสรุปในจุดนี้อีกครั้งหนึ่งว่า รูปแบบการปฏิบัติเนี่ยมันก็จริงๆมันก็แค่เป็นรูปแบบเท่านั้นเองนะมันถ้าเราไม่ได้ตั้งใจให้ถูกต้องว่าเออเราปฏิบัติแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหนทางของมันก็คือการที่เราค่อยคละคลายกิเ<า>ลสออกจากใจนะละกิเลสออกจากใจนะค่อยค่อยละคลายมันออกไ ป, ไปนะไม่เอากิเลสสู่ใจของเรานะนก็คือการปล่อยวางออการที่เราวางกิเลสทั้งหลายการที่เราไม่เอากิเลสทั้งหลายนะการเราทิ้งเนี่ย จริงๆแล้วเป็นหนทางที่มันเร็วรัดสั้นกว่าการที่เราจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็ให้พวกเราเป็นหนทางที่เราจะนำไปพิจารณากันต่อไปนะเอาละเตรียมตัวกราบพระกัน